ตามันเป็นตาของคงเมงครับแกเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานและชาปนกิจสบไปเมื่อวานนี้เองครับวันนี้ผมลายหยาดหยาดก็ได้มาเก็บเท่ากระดูกของแกเพื่อที่จะได้นำไปเก็บไว้ในโกรธที่วัดประจําหมู่บ้านทุกคนลงความเห็นพร้อมใจกันว่าจะบรรจุ ก, กระดูกของแกพร้อมด้วยถุงผ้าเหล็กๆที่แกห่วงมาลักษณะของถุงผ้าเป็นถุงผ้าขนาดเท่าฝ่ามือ สีขาวคุณคุณค่อนข้างเก่ามีรอยเปื้อนเป็นคราบดำๆหลายแห่งมันเสื่อมสภาพไปตามการเวลาถุงผ้านี้คงมีอายุหลายสิบปีแล้วเพราะตาหมานเคยเล่าว่าแกได้รับถุงผ้านี้มาเมื่อแกอายุได้ประมาณ21ปีจนแกตายเมื่ออายุห0สิปีดังนั้นถุงผ้าก็อยู่กับแกเกือบสี่สิบปีในถุงผ้าบรรจุสมุดเล่มเล็ก ความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรสมุดเล่มนั้นผูกด้วยเชือกหนังสีน้ำตาลเอาไว้มันคงมีความลับอะไรข้างในซึ่งทุกคนก็พอจะรู้แต่ไม่กล้าเปิดดูญาติๆจึงนำถุงผ้าบรรจุลงในโกศดเก็บกระดูและปิดตายไปพร้อมกันสัมผัสสยอง ตำรายญ้าผีบอกตามมานแกมีอาชีพเป็นหมอหญาหรือหมอเมืองรักษาผู้คนทั่วไปแกไม่มีใบอนุญาตประกอบพิชาชีพแพทย์หรอกครับแต่ชาวบ้านก็เรียกแกว่าหมอซึ่งตัวแกเองก็ภูมิใจในอาชีพนี้ที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านตามมานเคยเล่าให้ผมฟัง เกี่ยวกับเรื่องราวของถุงผ้านั้นว่าตอนที่แกอายุได้21ปีในสมัยนั้นชายไทยทุกคนต้องบวชหรืออุปสมบทให้พ่อแม่ตามประเพณีตาหมานจึงบวชที่วัดท้ายหมู่บ้านวัดนั้นเคยเป็นวัดร้างมาก่อนด้วยเหตุใดก็ไม่รู้ต่อมามีพระธุดงกรูปหนึ่งเดินทางสแสวงบุญผ่านมาพอเห็นวัดร้างนี้ ก็ได้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่แล้วชาวบ้านก็ให้พระรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาสต่อมามีชาวบ้านมาบวชอยู่วัดนี้อีกสองรูปรวมกับเจ้าอาวาสก็เป็นสามรูปพอมีตาหมานเข้ามาก็เป็นรูปที่สี่ด้วยตัวเลขสี่เป็นเลขอัปมงคลเพราะพ้องกับคําว่าสีของคนจีนซึ่งแปลว่าตายเจ้าอาวาสก็เลยให้แก้เกรด ด้วยการบำเพ็ญบารมีเจ็ดวันคือให้นั่งสมาธิและฉันมังสวิรัตตาหมานก็ทำตามเพราะตัวของตาหมานเองก็เป็นคนนิสัยมากน้อยและชอบสันโดษอยู่แล้วจึงอยู่ง่ายกินง่ายไม่ถึงกับลำบากใจอะไรเมื่อตาหมานถือศีลกินผักจนผ่านมาถึงวันที่สาขณะที่แกนั่งสมาธิอยู่แกก็เกิดนิมิต เห็นชายแก่คนหนึ่งจุงมือเด็กน้อยเดินเข้ามาหาชายแก่และเด็กน้อยไม่สวมเสือ้อแต่นุ่งผ้าเตี่ยวพอเดินมาได้อีกสักพักเด็กคนนั้นก็วิ่งตรงเข้ามาหาตาหมานพร้อมกับพูดว่าขอเงินสิบบาทตาหมานจึงหยิบเงินให้สิบบาทพอเด็กได้เงินก็รีบวิ่งกลับไปหาชายชราและทั้งสองคนก็เดินหายลับไปในความมืด คืนวันที่สี่ขณะที่ตา ม, มานั่งสมาธิแกก็เห็นนิมิตอีกว่าชายชรากับเด็กทั้งสองจูงมือกันเดินมาหาพร้อมกับของในมือของเด็กน้อยที่มีดอกบัวหนึ่งดอกพอมาถึงที่ตา ม, มานั่งอยู่เด็กคนนั้นก็ส่งดอกบัวให้และพูดว่าเอาดอกบัวนี้มาให้เพื่อแลกกับเงินสิบบาทตามานก็รับดอกบัวมาถือไว้ แล้วชายชรากับเด็กน้อยก็เดินหายไปตาหมานได้เก็บเรื่องนี้ไว้โดยไม่ได้บอกใครเพราะคิดว่าคงเป็นแค่ความฝันแต่พอคืนที่หขณะที่แกนั่งสมาธิก่อนนอนเหมือนเช่นเคยแกก็เห็นชายชราและเด็กน้อยเดินมาหาแกอีกมาครั้งนี้ชายชราได้ยิ้มให้และพูดว่าตาหมานเป็นคนดี แกอยากจะให้ของอยู่อย่างหนึ่งเป็นตำรายาสามารถรักษาได้สารพัดโรคตาหมานดีใจมากบอกว่าอยากได้เพราะทุกวันนี้มีโรคร้ายมาคุกคามชีวิตมนุษย์และยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ชายโชราจึงบอกกับตาหมานว่าเมื่อรับตำรับยาไปแล้วตาหมานต้องสัญญาว่าข้อหนึ่งจะต้องช่วยเหลือคน อย่าได้คิดเอาผลประโยชน์ถ้าผิดสัญญาตามข้อหนึ่งตาหมานต้องเสียของรักไปข้อ2ห้ามบอกสูตรยานี้ให้ใครเป็นอันขาดยกเว้นแต่ว่าเมื่อตาหมานอายุครบ60ปีต้องยกตำรายานี้ให้แก่ทายาทแต่ถ้าผิดคำสัญญาใดๆชายชราจะกลับมาาชีวิตตาหมานด้วยความที่ตาหมานอยากได้ตำรับยา จึงรับคำสัญญาจากนั้นชายชราจึงหยิบถุงผ้าสีขาวให้ถุงหนึ่งข้างในถุงมีสมุดเล่มเล็กๆถูกมัดด้วยเส้นหนังสีน้ำตาลตาหมานรับมาแล้วรีบเปิดออกดูข้างในสมุดนั้นก็เห็นว่าภายในเขียนด้วยตัวหนังสือของโบราณแกวุทานด้วยความยินดีว่าโอ้เหลือเชื่อจริงๆ นี่คือตำรับยาโบราณที่มีอายุเป็นพันพันปีแม้จะดีใจมากแต่ในใจตามหมานก็คิดว่าคงจะต้องไปหาคนที่อ่านตัวหนังสือ้อมโบราณได้มาช่วยแปลตำรานี้เสียก่อนขณะที่แกดีใจอยู่นั้นก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าชายชรากับเด็กน้อยได้หายไปแล้วตามหมานจึงเก็บถงุงล่สมุดเล่มเล็กไว้ใต้หมอน จากนั้นแกก็ล้มตัวลงนอนพอรุ่งเชา้าเมื่อตาหมานตื่นขึ้นมาแกก็ล้วงเข้าไปที่ใต้หมอนหยิบถุงที่ได้ซุกเก็บเอาไว้แล้วเปิดออกก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแกคิดว่าคงเป็นเพียงแค่ฝันไปนิมิต ท, ที่เจอนั้นเหมือนจริงมากเลยแต่ในคืนนั้นเองซึ่งเป็นคืนที่หก ขณะที่แกกําลังตกอยู่ในภวังสมาธิชายชรากับเด็กก็มาหาตาหมานอีกพร้อมทั้งยิ้มอย่างพอใจและบอกกับตาหมานว่าให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องเขียนและสมุดมาเล่มหนึ่งพรุ่งนี้แกจะกลับมาอีกครั้งพอรุ่งเช้าวันถัดไปตาหมานก็ไปหาสมุดและดินสอมาเตรียมไว้คืนนี้เป็นคืนที่เจ็ด ตาหมานได้สวดมนต์ภาวนาเตรียมนั่งสมาธิพอหลับตาแกก็เห็นชายชรามานั่งรออยู่ก่อนแล้วแต่วันนี้เด็กน้อยไม่มาด้วยตาหมานก็ถามว่าเด็กน้อยไปไหนชายชราตอบว่าวันนี้ต้องแปลตำราซึ่งใช้เวลานานจึงไม่ให้เด็กมาด้วยชายชราบอกให้ตาหมานห้อยจดตำรา ตามที่ชายชราบอกแล้วชายชราก็แปลอักษรของโบราณเป็นภาษาที่อ่านได้ตาหมานกับชายชรานั่งแปลอักษรเป็นตำรับยาจนถึงสว่างก็ได้มาทั้งยาทายาต้มรักษาโรคต่างๆเป็นตำรับยามาหนึ่งเล่มจากนั้นชายชราก็ยื่นถุงผ้าเก่าๆให้ตาหมานเก็บตำรา และกำชับว่าให้เก็บไว้ให้ดีแล้วชายโชราก็จากไปพร้อมกับทิ้งทายว่าเขาจะมาทวงสัญญาอีกครั้งหลังจากนั้นตาหมานก็ได้ทดลองทำยาทั้งยาทาและยาตม้มนำไปแจกจ่ายชาวบ้านในละแวกนั้นให้ลองทาและกินเพื่อรักษาโรคก็ปรากฏว่าได้ผลชงาด ชาวบ้านหลายคนหายจากโรคที่เป็นมานานและทรมานตาหมานก็เลยกลายเป็นหมอพระที่มียาดีเมื่อใครมารักษาก็ให้เสียค่าครูคนละ19บาทซึ่งนับเป็นเงินน้อยนิดแต่ตาหมานมีเจตนาที่จะเอาเงินจำนวนนั้นไปเป็นค่าวัสดุในการทำยาคนป่วยทุกคนก็พอใจเดินทางมารักษากัน จนวัดนั้นชื่อเสียงดังกระชอนเล่าลือกันปากต่อปามีคนเข้ามาทำบุญกันมากมายหอตาหมานบวชได้ 3, สพันษาก็ได้ลาสิกขาออกมาอยู่กับพ่อแม่แต่แก่ก็ยังรักษาคนป่วยอยู่ซึ่งมีคนมาให้รักษากันอย่างไม่ขาดสายหอตาหมานอายุได้25ก็ได้แต่งงานอยู่กินกับภรรยาชื่อผ่องใส เมื่อทั้งคู่แต่งงานกันได้หนึ่งปีตาหมานก็มีความคิดว่าแกน่าจะหารายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อครอบครัวและลูกที่จะเกิดมาแกจึงขึ้นค่าครูเป็นคนละห9่บาทและถ้าตาหมานเห็นใครที่ดูมีเงินแต่งตัวดีมีฐานะแกก็จะเรียกเก็บค่ารักษาในราคาแพงๆจนแกร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีเงินทองมากมายเมื่อมีชื่อเสียงเงินทองก็ไหลามาเทมาจนแกเกิดความโลภซึ่งการกระทำของตาหมานได้ผิดคำสัญญาข้อที่หนึ่งที่ให้ไว้ว่าจะรักษาคนไขรโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกรรมนั้นได้ตกกับนางพ่องใสเมื่อนางพ่องใสตั้งท้องลูกคนแรกในช่วงระยะสามถึงหกเดือน ท้องของยายผ่องใสก็โตขึ้นตามปกติพอระยะคันได้เจ็ดเดือนนางผ่องใสเริ่มมีอาการมือและเท้าบวมชาวบ้านทั่วไปเห็นดังนั้นก็บอกว่าเป็นอาการปกติของคนท้องพออายุ ค, คันได้8ปดเดือนอาการมือและเท้าบวมก็ยังไม่หายแต่กลับเป็นรุนแรงขึ้นมีตุ่มเม็ดใสๆขึ้นตามขาและเท้า นางพ่องใสเริ่มมีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่ออกตาหมานจึงพาไปโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลนางพองใสก็ถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินเมื่อหมอมาตรวจก็บอกว่านางพองใสมีอาการคันเป็นพิษอย่างรุนแรงเพราะนำตัวมารักษาช้าไปตอนนี้อาการของนางพองใสเริ่มแย่ลง เธอตัวเขียวมีโอกาสที่จะเสียชีวิตทั้งแม่และลูกหมอจะต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตทั้งคู่เอาไว้เพราะตาหมานได้ยินดังนั้นก็ตกใจมารีบเซ็นใบอนุญาตให้หมอผ่าตัดด้วยมือที่สันเทาแล้วหมอก็ได้พายายพองใส่เข้าห้องผ่าตัดโดยมีตาหมา น, นั่งรออยู่นอกห้องเวลาผ่านไปสามชั่วโมง หมอก็ออกมาแล้วเชิญตาหมานเข้าไปในห้องห้องหนึ่งหมอชี้ให้ตาหมานดูเด็กทารกน้อยในตู้อบผ่านห้องกระจกพร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจกับตาหมานว่าหมอไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ของเด็กเอาไว้ได้แต่เด็กทารกเพศหญิงนั้นรอดชีวิตตาหมานไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีแกยืนซึมน้ำตาคลอเบา สักพักใหญ่หลังจากฝากลูกไว้ที่โรงพยาบาลแล้วแกก็กลับไปทํางานศพของยายผ่องใสพร้อมๆกับหาคนที่จะมาเลี้ยงลูกก็ได้คนเลี้ยงซึ่งเป็นญาติๆของแกเองไม่นานแกก็ไปรับลูกมาเลี้ยงที่บ้านอย่างฟูมฟักเลี้ยงดูอย่างดีส่วนตาหมานก็ยังเป็นหมอเมืองรักษาโรคต่างๆที่บ้านเหมือนเดิม และก็มีคนมารักษากับแกอย่างไม่ขาดสายแกยังคงเรียกเก็บเงินจำนวนมากอยู่เพราะไม่รู้ว่าที่แกเสียเมียสุดที่รักไปเป็นเพราะแกผิดสัญญาที่เคยได้ให้ไวจึงทำให้ต้องเสียของรักตาหมานได้ตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าวันเพนเมื่อวันเพนอายุยี่สิบปีก็ได้แต่งงานกับนายทองสุตอนนี้ ตามานอายุประมาณ46ปีและครอบครัวของตาหมานก็น่าจะมีความสุขดีแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดกับครอบครัวของตาหมานอีกเมื่อหลานชายของตาหมานที่เกิดกับวันเพนและทองสุน้องกีตาไกรจายอายุได้ห้าขวบก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นวันนั้นขณะที่วันเพนและทองสุ กำลังเดินทางไปรับน้องกีตาที่โรงเรียนด้วยรถมอเตอร์ไซค์เมื่อใกล้จะถึงโรงเรียนอนุบาลเพียงอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนมาด้วยความเร็วรถคันนั้นเสียหลักพุ่งตรงข้ามเลนมาชนรถจักรยานยนต์ของทังโ่ทำให้ทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางส่งผลให้ทั้งสองคนนอนจมกองเลือด ยอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งเป็นภาพที่อเนจอานาตใจเป็นอย่างมากเมื่อตาหมานได้รู้ข่าวก็เสียใจมากคิดโทษโชคชะตาของตัวเองว่าทำไมเป็นแบบนี้ในขณะที่ตาหมานกำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่นั้นจูๆ่ๆแกก็นึกถึงคาสัญญานั้นขึ้นมาที่บอกว่าต้องช่วยเหลือคนอย่าได้คิดเอาผลประโยชน์ ถ้าผิดสัญญาตามข้อที่หนึ่งตาหมานจะต้องเสียของรักไปจึงทำให้ตาหมานคิดว่าอาจจะเป็นเพราะแกผิดคาสัญญานั้นเพื่อรักษาชีวิตของหลานรักแกจึงเลิกเก็บค่ารักษาแพงๆเหลือเพียงค่าครูคนละ19บาทตามเดิมต่อจากนั้นชีวิตแกก็ดีขึนหลานชายก็เติบโตขึ้นมาทั้งน่ารักหน้าตาดี สุขภาพแข็งแรงแถมยังร้องเพลงลุกทุ่งเก่งเสียด้วยจึงทำให้ตาหมานรักหลานคนนี้มากมาถึงตอนนี้หลานชายของแกก็โตขึ้นมากแล้วส่วนตาหมานก็อายุ60ปีคืนวันหนึ่งขณะที่แกนอนหลับอยู่นั้นแกก็ได้ฝันเห็นชายชราและเด็กคนเดิมทั้งสองเดินเข้ามาหาแกและทวงสัญญาข้อที่สอง ว่าให้ตาหมานถ่ายทอดตำรับยาเป็นมรดกแก่ทายาทภายในสมวันไม่อย่างนั้นจะมาเอาชีวิตของตาหมานไปด้วยตาหมานตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกแกเชื่อว่าความฝันนั้นคือเรื่องจริงแต่ก็จะยอมให้รานรักรับมรดกพร้อมกับข้อสัญญาสองข้อไม่ได้แกคิดว่าถ้าเกิดหลานผิดคำสัญญา ก็คงจะได้รับชะตากรรมเหมือนกับแกจึงตัดสินใจว่าควรให้ตำรับยานี้ตายไปพร้อมกับแกเช้าวันรุ่งขึ้นตาหมานจึงเรียกน้องกีตาเข้าไปหาและบอกว่าภายในสามวันนี้หาหากตาเป็นอะไรไปอย่าเปิดอ่านสมุดเล่มเหล็กที่อยู่ในซอกตู้หัวเตียงเป็นอ น, นขาดอย่าให้ใครเปิดอ่านและให้เก็บไว้ในที่ลับที่สุด น้องกีตางงกับคำพูดของตาหมานว่าทำไมตาหมานถึงพูดอะไรอย่างนี้หลังจากวันนั้นผ่านไปสามวันในตอนเช้าขณะที่น้องกีตาเดินมาที่ห้องตาหมานก็พบร่างของตาหมานนั่งอยู่กับพื้นหลังพิงผนังห้องคอห้อยลงมาตาทลนลิ้นจุกปากที่คอมีเชือกผูกติดกับลูกกลงหน้าต่าง ตาหมานตายแล้วด้วยสภาพที่น่าสยดสยองน้องกิตา้าเห็นดังนั้นก็ตกใจจนแทบชอกรีบวิ่งไปตามญาติๆไม่นานตำรวจพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ก็มาถึงและเข้ามาชนสูตรศพแล้วบอกว่าตาหมานฆ่าตัวตายเพราะไม่มีร่องรอยการถูกทำรายแต่ทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ว่า การผูกคอตายในท่านั้นจะทำให้ตายได้ยังไงหลังจากทําการชาปนกิจศพล้า ว, วันรุ่งขึ้นก็มีการเก็บเท่ากระดูเพื่อบันจุไว้ที่วัดญาติญาติลงความเห็นว่าจะบันจุกระดูของแกพร้อมกับถุงผ้าเล็กๆที่แกห่วงมากเอาไว้ในโกรดและปิดตายตามที่แกได้เคยสั่งเสียเอาไว้ว่าอย่าให้ใคร อ่านตำราเล่มนั้นเด็ดขาด ส, สัมผัสสยอ